2. อภิธรรมภาชนี32ขันห้าคือ 1. รูปประขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสสัญญาขันกองสัญญา 4. สังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณ 1. รูปประขันสามสบาบรรดาขันห้านั้น รูปขันเป็นฉไนรูปขันหมดละหนึ่งได้แก่รูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุจจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นรูปเปลโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์อม ข, ออมของคันทะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ เป็นอารมณ์ของปรามาตรเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากฤิตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่เป็นเจตสิกวิปยุตจากจิตไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกโดยวิจารณ์ ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สหรคตด้วยปีติไม่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบคาไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จติและนิพพานไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปริตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏทุก์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุก์เป็นสภาวะไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนาออกจากวัฏทุก์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันมญมณีหกรู้ได้ เป็นของไม่เที่ยงถูกชาราครอบงำรูปขันหมวดละหนึ่งมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะในปกกินณกกะทุกกะรูปขันหมวดละสองได้แก่รูปที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่เป็นอินทรีย์ก็มีที่ไม่เป็นอินทรีย์ก็มี รูปที่เป็นมหาภูตรูปก็มีที่ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่เป็นวิญัติรูปก็มีที่ไม่เป็นวิญัติรูปก็มีรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีรูปที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นไปตามจิตก็มี ที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีรูปที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีรูปที่ไกลก็มีที่ใกล้ก็มีรูปที่เป็นกวาลิงการาหารก็มีที่ไม่เป็นกวลิงการาหารก็มีรูปขันหมวดละสองมีด้วยอาการอย่างนี้ ในที่นี้ก็พึงจำแนกรูปขันธ์ที่เหลือเหมือนในรูปประกันสุคุมะรู ป, ประทุกะจบติกะไนปกินะกะติกะอัจจติกะอุปาทาติกะรูปขันธ์หมวดละสามได้แก่รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี อัจฉริกะอุปาทินติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่ war. กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน รูปที่เป็นภายนอกที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวาลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกที่เป็นกวลิงการาหารก็มีที่ไม่เป็นกวาลิงการาหารก็มี รูปขันหมวดละสามมีด้วยอาการอย่างนี้สุขุมะรูปติกะจบจะตุกกะในอุปาทินะจะตุกะรูปขันหมวดละสี่ได้แก่รูปที่เป็นอุปาทายรูปที่กรรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูป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 ที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทาโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปหยาบก็มีที่เป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปหยาบก็มีที่เป็นรูปละเอียดก็มี อุปาทาทูเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป mhm, ็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป็นรูปใกล้ก็มีทิฏฐาที่จตุกะรูปเป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สลับได้เป็นรูปที่รู้ได้ เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รูปขันหมวดละสีมีด้วยอาการอย่างนี้ปัญจกไนรูปขันหมวดละห้าได้แก่รูปที่เป็นปทวีธาตุรูปที่เป็นนาโปธาตุรูปที่เป็นเตโชธาตุรูปที่เป็นมาโยธาตุรูปที่เป็นอุปาทายรูปรูปขันหมวดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้ชักกไน รูปขันหมวดละหกได้แก่รูปที่จักขวิญญาณรู้ได้รูปที่โสดวิญญาณรู้ได้รูปที่คาณวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รูปขันหมวดละหกมีด้วยกอาการอย่างนี้สัตตะไนรูปขันหมวดละเจ็ด ได้แก่รูปที่จักขูวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้รูปขันหมวดละเจมีด้วยอาการอย่างนี้อัตกนัยรูปขันหมวดละแปดได้แก่รูปที่จักขูวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มี ที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มีรูปที่มโนธาตุรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้รูปขันหมวดละแปมีด้วยอาการอย่างนี้นว ก, กนัยรูปขันหมวดละ9ได้แก่รูปที่เป็นจักขุนสี่โสตินสี่คานินรี่ชิวหินสี่กายินรี่อิทธินสี่ปุริสินสี่ ชีวิตินทรีย์และรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์รูปขันหมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้ทัศกาลในรูปขันหมวดละสิบได้แก่รูปที่เป็นจักขุนสีชีวิตอินทรีย์และรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เอเกาทัศกนัย รูปขันธ์หมดละ11ได้แก่รูปที่เป็นจัคหายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรษายตนะโพธายตนะและรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเรืป็งในธรรมายตนะรูปขันธ์หมวดละสิอ มีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ารูปขันสองเวทนาขันทุกกะมูลกะวาล34บรรดาขันห้านั้นเวทนาขันเป็นไฉไหรเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุต ด, ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดทิจหมวดละสอง ได้แก um, ่เวทนาขันธ์ที 4, ่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสี่ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก็มี เวทนาขันหมวดละห้าได้แก่เวทนาขันที่เป็นสุขขินซีก็มีที่เป็นทุกขินซีก็มีที่เป็นโสมนัสขินซีก็มีที่เป็นโทมนัสขินซีก็มีที่เป็นอุเปกขินซีก็มีเวทนาขันหมวดละห้ามีเรื่อาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละหกได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส เวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละหมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละเจ็ดได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส เวทนาที Tuesday, ma ่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเวทนาขันหมวดละเจ็มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละแปดได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เวทนาขันธ์หมวดละแปมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละเก้าได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จกูสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพพยากฤิตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้ วเวทนาขันโหมวดละสิบได้แก่วเวทนาที่เกิดแต่จักขู่สัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีวเวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็ น, okay? ปนอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีวเวทนาขันโหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ 35. เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี เวทนาขันธ um um ์ท anyway. um um um ี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีเวทนาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มี ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี เวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นของเสคบุคคลก็มีที่เป็นของอัศเสคบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสคบุคคลและอัศเสคบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตะ คือกามาวจรก็มีที่เป็นมหคัตคือรูปาวจรและอรูปาวจรก็มีที่เป็นอัปปามะนะคือโลกุตระก็มีเวทนาขันที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันที่เป็นชั้นต่ําก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี ที่เป็นชั้นประนีตก็มีเวทนาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีเวทนาขันที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้36 เวทนาขันหมทละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีเวทนาขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี เวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได enfin ้ก็ม <Quiz S 2> ีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่วิบปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิบปยุตจากสังโยชน์ก็มีเวทนาขันที่วิบปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี ที่วิปปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปปยุตจากคันธะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มี เวทนาขันธ์ที the the ่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่สำประยุทธ์ด้วยโอคะก็มีที่วิปประยุทธ์จากโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปประยุทธ์จากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปประยุทธ์จากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มี ที่ว an ิทยุตจากนิวรณ์ก็มีเวทนาขันที่วิทยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิทยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีเวทนาขันที่สัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิทยุตจากปรามาตก็มี เวทนาขันธ์ที่วิทยุจากปรามาตยแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตยก็มีที่วิปทยุจากปรามาตยและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยก็มีเวทนาขันธ์ที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลตก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลตทาให้เศร้าหมองก็มี ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสก็มีเวทนาขันที่วิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิประปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มี เวทนาขันธ์ท um, ี่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิตกก็มี ที่ไม่มีวิตกก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีเวทนาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็มี ที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีเวทนาขันธ์ที่นับเนื่องในวัฏทุก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก็มีเวทนาขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มี ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีเวทนาขันที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีเวทนาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีเวทนาขันหมวดละสิบ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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ ทุกกะมู ล, ลกวานจบ